เล่นพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรมก็ให้ตั้งอกตั้งใจในการฟังไปทําความเข้าใจด้วยการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ธำมะในวันนี้ยังบอกไม่ถูกว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่เดียวมันก็มาเองในเรื่องที่พูดเมื่อคืนตอนรุ่ง <c oughs> ก็เรียกว่าเต็มแล้วทุกอย่างเต็มแล้วเหลืออย่างเดียวคือการปฏิบัตินั้นการปฏิบัตินี่สำคัญมากอย่างที่ให้คาถาไว้ว่า ความรู้สึกไม่ใช่โก้คาถานี้อย่าลืมความรู้สึกไม่ใช่โกูให้ท่องเอาไว้ในใจตลอดเวลาทีนี้ต่อไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ว่ากันแบบครึ่งครึ่งค้อน ค, อ น, คอนเสียไปเสียมา คืนนี้คงจะเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทขึ้นต้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้คือสายเกิดทุกสายเกิดเรีว่าสายเกิดทุกทีนี้ประโยคที่สองว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับนี่คือสายดับทุก์ที่นี่อย่างที่ให้ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูที่ความรู้สึกไม่ใช่กูนี่เป็นการถอนอวิชชาที่มันเป็นกูมานานแล้วคือถอนความรู้สึกตัวนั้น ที่การสอนความรู้สึกตัวนั้นเพราะความรู้สึกว่ากูพอมีกูขึ้นมาที่หนึ่งคือเอาจิตมาเป็นกูพอเอาจิตมาเป็นกูความรู้สึกว่ากูมีขึ้นมาทันทีอวิชามันก็เกิดแล้วแล้วพอความรู้สึกว่ากูนอกจากว่าอาวิชามันเกิด อาวิจามันก็ได้อาหารทุกครั้งที่มันความที่มีความรู้สึกว่ากู้กูกู้อยู่เรื่อยๆนั่นคือมันได้อาหารดังนั้นมันจึงตายไม่ได้อาวิจามันจึงอ้วนพีเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆมาจนโตเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยรู้จักว่าอาวิจาคืออะไร อวิชชาคือตัวความโง่ตัวความโง่คือเมื่อจิตโง่จิตโง่แล้วก็การพูดก็โง่การกระทาก็โง่ความคิดก็โง่มันก็โง่ลงไปเป็นแถวแล้มันก็ทำให้เกิดแค่ว่ามันเกิดคือมันเกิดทุกข์พราะเริ่มเกิดอวิชชาขึ้นมาความทุกข์มันก็เกิดแล้วเพราะมีกู ที่นี้พรเมื่อมีกูขึ้นมาแล้ว <c oughs> สังขารก็เป็นลูกโซ่สังขารกายสังขารการกระทำทางกายวจีสังขารการกระทำการพูดต่างวาจามโนสังขารความคิดต่างใจนั่นเรียกว่าเป็นตัวสังขารสังขารมันก็มาแล้วเมื่อมีความคิดเราไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์ แ่ตามที่จริงนั่นคือทุกแท้ๆถ้าหากว่ า, าวิจารมันเกิดรูกโซ่ของมันก็คือสังขารกายะสังขารวจีสังขารมนุสังขารห้ามไม่ให้คิดได้ไหมห้ามไม่ให้คิดก็คือคิดในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่คิดในเรื่องที่เป็นกูถ้าคิดในเรื่องที่เป็นกู นั่นมันก็เป็นลูกโซ่ของอวิชชาที่มันต่อยือกันมาอย่างนั้นทีนี้จากสังขารก็เป็นวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึกตัวนั้นตัวความรู้สึกตัวที่สามแต่ว่าความรู้สึกตัวนั้นมันจะอมอวิชชาโอาไว้ด้วยแล้วก็อมสังขารโอไว้ด้วย แล้มันก็มีความรู้สึกที่เป็นกูออกมาชัดเจนเรื่อยๆความรู้สึกที่เป็นกูตัวนั้นเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึกทีนี้พอมีความรู้สึกขึ้นมาว่ากูต่อไปตัวที่สี่นามารูปนามารูปก็คือกายกระใจกายกระใจเมื่อความรู้สึกว่าเป็นกู กายก็เป็นกายกูใจก็เป็นใจกูนี่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นนี่คือฝ่ายเกิดทีนี้มันจะเกิดไปเป็นแถวเมื่อมีกายกูเมื่อมีใจกูขึ้นมาตาทีนี้ต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแปกว่าอายตนะหรือสรายตนะสรายาตนะก็แปลว่าอายตนะหก มันที่พูดเปิดเช้าเมื่อคืนก็คืออายตนะภายใน่อยหมายถึงโลกภายหนอยายตนะหกก็คือตาเอาตามาเป็นกูอาหูมาเป็นกูเอาจมูกมาเป็นกูเอาลิ้นมาเป็นกูเอากายมาเป็นกูเอาใจมาเป็นกูนี่มันเป็นกูหมดทีนี้พอมันเป็นกูมันทํางาน มันเริ่มที่จะทํางานสามอย่างนี้มันทํางานคือตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งจะกู้วิญญาณนี่วิญญาณมาแล้วมันมาผสมโรวแล้วตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งจะกู้วิญญาณอย่างหนึ่งสามอย่างนี้ทํางานร่วมกันเรียกว่าปัจจาร์ไม่ใชว่าปัจจาเกิดปัจจาขึ้นมา จากอายตนะก็เป็นปัจจาที่ อ, อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสราอายตนะก็เป็นปัจจาร์พออายตนะทํางานจะกลายเป็นปัจจาปัจจารแปลว่าการกระทบตากระทบกับรูปเกิดความรู้สึกต่างตาเรียกว่าจักกูวิญญาณ สามอย่างทำงานร่วมกันทาให้เกิดปฏิซาคือการกระทบพอ เ, เกิดปฏิซาขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าไม่มีปัญญาไม่มีวิจาถ้าไม่มีวิจาคือไม่มีฝ่ายดับไม่มีฝ่ายดับทุกเมื่อไม่มีฝ่ายดับไม่มีฝ่ายดับทุกคือขาดสติเสร็จแล้วเป็นยังไงจากปฏิซามันก็กลายเป็นเวทนา เป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็ น, นทุกขกรรมสุขเวทนาบ้างเป็นสุขเวทนาคือสิ่งที่เราก็ไปพอใจเป็นทุกขเวทนาคือสิ่งที่เราไม่พอใจเป น, นทุกขกรรมสุขเวทนาคือเป็นฝ่ายอาวิจานี่จากสรายตนะก็เป็นปัจจาจากปัจจานี้เราต้องบังคับที่ปัจจา จานั้นปฏิจจสมุปบาทครึงทอดเราต้องรู้จักนามรูปแล้ก็รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรู้จักแล้วมันก็ทำหน้าที่ไม่ใช่รู้จักเฉยเฉยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพตทธะพระธรรมารม สิ่งที่มาร่วมด้วยกันก็คือวิญญาณจากขูวิญญาณความรู้สึกต่างตาโจตาวิญญาณความรู้สึกทางหูคานะวิญญาณความรู้สึกทางจมูกเชียวหาวิญญาณความรู้สึกทางลิ้นกายะวิญญาณความรู้สึกทางกายมโนวิญญาณความรู้สึกทางใจนี่คือความรู้สึกสามอย่างนี้มันมาร่วมกัน ทำงานเป็นทีมพวกนี้มันทำงานเป็นทีมเพราะมันมาเก้าทีมกันก็ทําให้เกิดปัจจัยไม่อย่างนั้นมันก็เกิดปัจจัขึ้นมาไม่ได้คือเกิดการกระทบขึ้นมาไม่ได้ทําให้เกิดปัจจัพอเกิดปัจจัขึ้นมาเราต้องระวังแล้วเราต้องระวังที่ตรงนี้ต้องมีสติที่ตรงนี้ถติที่ตรงนี้เอามาจากไหน คนมาจากไหนสติถ้าเราไม่ได้เฟกเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวไปที่สติปฐานสี่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์การที่จะขาดสตินั้นมันก็จะขาดไปหมดนั่นเรื่องของสติปฐานสี่ก็คือเรื่องอริยมรรคในองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องสัมมาจังกับโปความดารีอันถูกต้อง จัมาวาจาการพูดจาอันถูกต้องจำมากันมันโตการทำการงานอันถูกต้องจมาชีวการเรี่ยงชีพอันถูกต้องสัมาวาญญาณความพยายามถูกต้องสัมาสติมีสติถูกต้องนี่โดยต้องเลี้ยวมาที่สติเมื่อเกิดปัสสาะขึ้นมาต้องมีสติที่นี่การให้มีสติเราต้องฝึกสติ หนึ่งมีสติเห็นกายในกายนะสติเนี่ยมันสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสี่แต่ว่าในอริยมรรคไม่องแผ่ก็บอกเพียงว่าสัมมาสติคือมันจะมีข้อที่เป็นมิจฉาอยมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาจโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่คือฝ่ายที่ถูกต้องส่วนฝ่ายที่ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่ามิจฉาเป็นว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปมิจฉาวาจามิจฉากรมมันโตมิจฉาชีโวมิจฉาวายโมมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันก็จะมีมิจฉาแต่นี้เราทําให้เกิดสัมมาสติ สรมมาสติคือความระลึกที่ถูกต้องเมื่อความระลึกที่ถูกต้องเราก็ต้องระลึกที่ตรงนี้สติต้องดึงปัญญามาเมื่อตารูปจะขูวิญญาณจำอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดปัจจาเมื่อเกิดปัจจาแล้วสติต้องมาแล้วที่ตรงนี้สติต้องมาแล้วสติจะต้องดึงปัญญามา พอพอเกิดปัจจัแล้วมันก็จะเกิดเป็นเวทนาเช่นว่ามันเกิดสุขเวทนาคือพอกระทบแล้วเช่นเราไปเห็นผู้หญิงผู้ชายไปเห็นผู้หญิงผู้หญิงไปเห็นผู้ชายมันก็เกิดปัจจาพอเกิดปัจษัแล้วเวทนามันก็จะมามันพอใจหรือไม่ในที่นั้นมันพอใจหรือไม่มันไม่พอใจ ถ้าเกิดพอใจขึ้นมาเรียกว่าสุขเวทนาถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรียกว่าทุกเวทนาถ้าเกิดเฉยๆยเรียกว่าทุกข์กรรมทุกเวทนานี่เวทนามันมาแล้วทีนี้ถ้าเวทนามันมาถ้าทำตามความพอใจทำตามความพอใจมันก็จะเกิดตัณหานั่นคือสติไม่ได้ข้นปัญญามา ถ้าสติไม่ได้ขนปัญญามาออกมาจัดการในที่นี้มันก็จะเกิดตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากอะไรมันมีสามอย่างกามตัณหาอย่างหนึ่งภาวะตัณหาอย่างหนึ่งวิภาวะตัณหาอย่างหนึ่งกามตัณหาก็เกิดตัณหาในกามตัณหาในการร่วมเพศภวะวิภาวะตัณหาก็ปัญตัณหา คือความอยากมีอยากเป็นวิาวตัตนาหาก็คืออยากตายนั่นมันอยากตายให้มันหมดเรื่องหมดราวไปแต่มันก็ยังไม่หมดนี่คือสติต้องมาขั้นกลางที่ตรงนั้นสติต้องมาที่ปัจศาเมื่อสติมาที่ปัจศารพอเกิดปัจศาแล้วมันก็เกิดเวทนาต่อเช่นว่ามันเกิดสุขเวทนา เมื่กี้นี่เกิดสุขเวทนาที่บอกห้นวังก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมาปัญญามันก็มาตัดสินใจปัญญามาตัดสินใจว่าอา้าวสุขเวทนาก็าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่เวทนานั้นมันก็เลยว่างแต่มันก็หยุดแค่แค่นั้นทีนี้ตามมันเกิดทุกเวทนาํนะายัางไง มันเกิดทุกขเวทนาสติก็รู้แล้วว่านี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เหมือนกันทุกขเวทนาเราไม่ชอบเราไม่พอใจแต่ทุกขเวทนามันก็เกิดดับเหมือนกันทุกขเวทนาก็เป็นนิจจงังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนนี่มันก็เหมือนกันกับทุขเวทนาทีนี้ตามันเกิด เกลียดก็ไม่ใช่ชอบก็ไม่ใช่แต่มันเกิดเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเห็นเรียกว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นคนหรือเห็นเป็นดอกไม้หรือเห็นเป็นอะไรเห็นเห็นแต่เสร็จแล้วยังไม่เกิดปัญญาเพราะฉานั้นสติจะต้องมาอีกว่าอาตุกามสุกเวทนานั้นมันก็เป็นอนิจจังทุกามสุกเวทนาก็เป็นทุกขังเป็นอนัตตา เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่เห็นไหมมันจะว่างมันจะว่างที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งสามสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกขมสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่มันตัดสินทีที่ตรงนั้นเมื่อเวทนามันว่างจากตัวตนตัณหาก็ไม่มีโอกาส เพราะว่าจากเวทนาจาก้าเวทนาไปก็เป็นตัวตัณหาตัณหาไม่มีโอกาสเมื่อตัณหาไม่มีโอกาสตัณหานั่นก็ดับตัณหามันดับนี่มันดับที่ที่ตรงนี้ดับที่ตัณหาตัณหาดับพอตัณหาดับกามตัณหาดับเพราะว่าตัณหาดับพี่เพราะว่าตัณหาดับเมื่อตัณหาดับมันยังมีลงไปอีก อากตระหนัเป็นอุปาทานที่มันคอยอยู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าถ้าหากว่าเอาไม่ทันมันจะเกิดตระหนักเมื่อมันเกิดตระหนัมันก็ปฏิบัติตามความพอใจของตระหนันั้นด้วยอำนาจของอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐูปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดในความเห็น สี่รัประตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลพระอัตว์วัตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่อุปาทานนี้มันก็มีสี่มันก็รับรูปจากกัญหาจากกัญหาแล้วก็เป็นอุปาทานมันจะเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าหากว่ามันไม่ดับเชื้อที่ปัจจาร ไม่ดับเสี้ยที่เวทนาที่ตรงนั้นงั้นก็มาเป็นตัณหาพอมาเป็นตัณหาเนี่ยพอเป็นอุปาทานเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่ง น, นั้นในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินในสิ่งที่เราได้กลิ่นในสิ่งที่เราลิ้มรสในสิ่งที่เราสัมผัสในสิ่งที่เรารู้คืออารมณ์นั้นนั้นนี่มันก็จะเกิดตัณหาขึ้นมา แล้วมันก็จะเกิดอุปาทานจากอุปาทานแล้วมันก็อยโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยก็เรียกว่าเกิดพบขึ้นมาเกิดพบพบก็มีกามมาพบถ้ามันคุ้นคิดในเรื่องของกามพบนั่นมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นจนมันไปปฏิบัติในเรื่องของทางกามเช่นมีผู้หญิงกี่รถจักรยานยนต์มา มีสองคนสามคนพวกหนุ่มๆเห็นแล้วก็ชอบใจแล้วก็เข้าไปกวางหน้าไววอะไรไววมันก็เลยปฏิบัติแล้วทาตามความประสงค์นี่อย่างนี้เียกว่ามันคิดก่อนพอความคิดนั้นนั่นมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นพอโตขึ้นนั้นเท่ากับว่าพบเขาเปรียบเหมือนกับคนมีคันเหมือนคนมีคันตอนแรกคันก็อ่อน แต่คันมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นนีมันก็กลายเป็นภพภพก็มีสามภพเป็นกรรมภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพนี่มีสามทีนี้จากภพมันก็คลอดคลอดออกมาเป็นชาติเรืนองชาตินั้นคือความทุกข์มันคลอดออกมาแล้วมันคลอดออกมาเป็นชาติพอคลอดออกมาเป็นชาติมันก็เติบโตเติบโตเป็นจรามรณะ โสกาปริเทวะคือความรู้สึกนั้นมันคลอดออกมาแล้วเป็นจะเป็นจรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมณัสสะอุปายาสาเหมือนที่เราทําวัดเช้าบ่อยๆทุกวันนั่นแหละในข้างหลังพุทโธสุดโธนั้นไปดูให้ดีๆที่ตรงนั้นแหละนี่คือการคลอดทีหนึ่งเกิดทีหนึ่ ง, งคลอดทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่ง เป็นทุกข์มาตั้งแต่น้นแต่ว่าอันนี้ปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดมันมาเกิดที่ตาเห็นมาเกิดที่หูได้ยินมาเกิดที่จมูกได้กลิ่นมาเกิดที่ลิ้นลิ้มรสมาเกิดที่กายสัมผัสมาเกิดที่ใจรู้ธรรมารมม์มันมาเกิดที่ตรงนั้นก็เกิดตรงนั้นก็เป็นปัจจา แเช่นว่าทางใจอย่างนี้ทางใจใจธรรมรมเรียกมโนวิญญาณสามอย่างสามอย่างทำงานร่วมกันคือคิดก็ทำงานร่วมกันในทําทำให้เกิดผัะจากาัสสาก็เป็นเวทนาจ า, จากเวทนาก็เป็นตัณหาเพราะว่าไม่มีสติปัญญาในการที่จะออกมาเบร มันตอนนี้ตอนที่เป็นปัจษานะตอนที่เป็นปัจษาสติจะต้องขนปัญญามาที่ตรงนี้ขนปัญญาที่ปฏิบัติตามสติประฐานสี่เดี๋ยวก็้งหลังจากนี้ก็จะพูดสติประฐานสี่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเทีนี้ใจจุดท้ายนะมันเหมือนกันใน่ตั้งอกนะมันเหมือนกัน แต่สุดท้านี่คือใจใจแล้วก็ธรรมารมธรรมารมแล้วก็มโนวิญญาณสามอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดปัจาัเมื่อทาให้เกิดปัจาันี่การกระทบเต็มรูปแบบแล้วนี่เมื่อการกระทบเต็มรูปแบบแล้วสติยังไม่มีเขาเรียกว่าเปลือสติสติยังไม่มีคิดเรื่อยเปือปเ่อยไปเรื่อยนะ พอเป็นปัสสาแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเข้าไปพอใจพอเข้าไปพอใจเสร็จแล้วจากเวทนากรองไปเป็นตัณหาจากตัณหาก็เป็นอุปาทานจากอุปาทานก็เป็นภพจากภพก็เป็นชาติคลอดแล้วชาติมันคลอดแล้วจากชาติก็จะรามรณะโสการปริเทวะทุกตัวมนัสสาอุปายาตอ้อจบไปเรื่องนึ่เรื่องต่างใจจบไป จบไปทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งจบไปทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งจะนั้นเมื่อเกิดทางตาก็ทุกทางต า, าเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งมันไปนน้นไปตึงโสกาปริเทวะทุกขโตมณฑลอุปายาสนั่นแหละมันไวมากที่ตรงนี้ทีนี้เกิดทางหูมันก็ไปอย่างนั้นอีหูเสียงโสตวิญญาณ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 ถ้าหากว่าขาดสติทางหูก็เป็นทุกทางจมูกก็เป็นทุกขทางลิ้นก็เป็นทุกขทางกายก็เป็นทุกทางใจก็เป็นทุกนี่คือเป็นทุกปฏิจจธรมุปบาทคลืน่นทอนเกิดทีหนึ่งตายทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งตายทีหนึ่งคือทุกทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็เป็นทุกทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็เป็นทุกทีหนึ่ง เช่นว่าตอนที่มันจะคลอดออกมาเอาเถอะเราอยู่เฉย mm hmm. ๆออามาอยู่ในที่นี้แม้แต่พระสงฆ์องค์เนนที่บวชก้ามาใหม่นี uh, mm hmm. มม่มีความคิดในความคิดทางใจทางใจอยู่เฉยๆก็มีความคิดคิดถึงอะไรคิดถึงเพื่อนอคิดถึงเพื่อนอไม่ได้เจอเพื่อนคนนั่นนานแล้ว อ, อยากจะเจอเพื่อน ยกโทรศัพท์มาจิ้มจิ้มจิมจิ้มจิมนี่มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดเลยยกโทรศัพท์มาจิ้มจิ้มจิมจิมเรียกให้เพื่อนมาอ่าจะได้นั่งคุยกันนี่มันเกิดแล้วทีนี้มันมีอะไรท่า น, นก็เลยมีทุกเนี่มันก็มีทุกคุยในเรื่องความทุกข์กันทังนั้นไม่ได้คุยเรื่องดับทุกเลยนี่เรียกว่ามันเกิดทางใจมันกดดันมันกดดันจนกระทั่งว่ามันหยุดไม่ได้ ทางกายก็หยุดไม่ได้ทางตาก็หยุดไม่ได้ทางหูก็หยุดไม่ได้ทางจมูกก็หยุดไม่ได้ทางลิ้นก็หยุดไม่ได้ทางกายก็หยุดไม่ได้ทางใจก็หยุดไม่ได้กพหยุดไม่ได้มันก็ออกมาทางวาจามันออกมาทางกายนั้นเพราะมันหยุดไม่ได้มันก็เลยมีทุกขนี่มันทุกอย่างน so yeah, so ี้แหละทุกวัน ทุกอย่างนี้ทุกวันแล้วมันจะทุกจนตายถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็จะทุกจนตายนันเป็นรถที่ไม่มีเบรกเมื่อรถไม่มีเบรกหรือขับไปก็ชนเสาไปคว้าอย่างนั้นนี่เป็นเป็นรถที่ไม่มีเบรกก็จา ะ, ะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือสติอย่ากว่าสัมมาสติให้มีสัมมาสติก็ต้องฝึก ส, สติปัญสี มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขากายนี้เป็นนันิจจังเป็นนันตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมีสติตามลมหมายใจเข้ามีสติตามลมหมายใจออกเสร็จแล้วก็ดูร่างกายร่างกายประกอบด้วยอะไรร่างกายประกอบด้วยธาตุสี มธาตุดินธาตุน้ำธาตุควายธาตุลมมีง่ายง่ายธาตุสีแต่ธาตุสีธาตุดินธาตุดินไม่ใช่อยู่ที่พื้นดินเสียงที่มันแข็งที่มันจับต้องได้ที่เนื้อที่ตัวนี่เลยก็เรียกว่าธาตุดินเพราะมันได้มาจากดินอาหารมันก็ได้มาจากดินปักปลาหญ้าหรือว่าผลไม้อะไรจนกระทั่งว่าข้าวนี่เราก็ได้มาจากดิน พอได้มาจากดินก็เ้ากับเรากินดินเข้าไปนั่นแหละทีนี้เป็นยังไงพอกินข้าไปแล้วมันก็ไปเสริมไปเสริมร่างกายเสริมร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเนื้อหนังมันก็เป็นดินนั่นแหละมันมาจากดินได้มันก็เป็นดินได้ต่อไปเป็นยังไงได้มันก็กลับไปสู่ดินเห็นไหมให้เรารู้ที่ที่ตรงนี้ มันกลับไปจู่ดินอีกมันมาจากดินมันก็กลับไปจู่ดินเหมือนเดิมทีนี้ให้เรารู้แต่ก่อนรู้แต่ก่อนว่านี่มันกลับไปจู่ดินในวาระสุดท้ายพอเรารู้อย่างนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมและเราก็ไม่หวาดเสียวเราก็ไม่กลัวกับความตายนี่คือธาตุที่เป็นดินเพราะฉะนั้นธาตุทั้งหมดเรียกว่าธาตุสี่เดธาตุดินธาตุน้นำธาตุด้วยธาตุลม ธาตุทั้งหมดนี้ทำยังไงให้มันเป็นธาตุว่างให้เป็นสุญญตาธาตุเราก็เห็นว่าธาตุทั้งหมดนี้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันมีตัวตนคือมันมีตัวกูอยู่ในธาตุนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าธาตุธาตุดินก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยธาตุดินที่อยู่ในดินก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ธาตุดินที่เป็นข้าวเป็นน้ําที่เป็นปักผลลไม้อะไรก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเนื้อหนังที่เป็นธาตุดินที่แขนแข็งันเลพวกนี้ทุกอย่างที่จับต้องได้ที่เปลืองเนื้อที่นี่เรียกว่ามันเป็นธาตุดินธาตุดินทั้งหมดนี้ที่อยู่ที่ร่างกายนี้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ว่างจากตัวตนนี่ต่อไปธาตุดินนี้มันก็กลับไปสู่ธาตุดินเหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ไม่หลงในธาตุดินเราก็ไม่หลงในธาตุน้ำด้วยธาตุน้ำในร่างกานี้มันก็มาจากน้ำเราเดื่มน้ำไม่ว่าเป็นน้ำอะไรน้ำชาคาเฟ่อะไรตามใจนั่นคือเป็นธาตุน้ำ ทีนี้เรามาดูธาตุน้ําในร่างกายของเราน้ําเหงื่อน้ำเกลยน้ําปัสสาวะน้ําหนองน้ําเลือดน้ําตาน้ํามูกน้ําลายอะไรนั่นคือพวกธาตุน้ําพวกธาตุน้ํามันก็มาจากน้ําทีนี้มันมาจากน้ํามันก็ต้องเป็นน้ําเมื่อมันเป็นน้ํำแล้วก็เราไม่เรียกว่าน้ํำเราเรียกว่าเหงื่อเราเรียกว่าปัสสาวะทีนี้ธาตุน้ําก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา จากน้ำก็เป็นสุญญตามันว่าจากตัวตนเราดื่มน้ำก็ไปเดี๋ยมก็ออกมาเป็นเหงือ่อเป็นใครดื่มน้ําก็ไปต่อไปมันก็ออกมาเป็นปัสสาวะในภายในไม่จานี้นี่เรียกว่ามันเลื่อนไหลไปเรื่อยจะเดงว่ามันเป็นดานิตจังเราก้าวไปยึดมัน่นถือมั่นมันไม่ได้ มันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันเป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนนี่ให้สติมันเห็นให้สิติมันเห็นเนี่ยทำให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาในสิติประธานสี่นั้นนี่คือธานะตุนาถธาตุดินก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตน มีจิตเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็เป็นท่ามันเป็นศัตรูแต่ว่าา่าที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนท่าลมมันก็เหมือนกันลมมันมาจากไหน อ, ออกซิเจนมันมาจากในอากาศ ทีนี่ธาตุลม courtroom. มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมีลมพัดไปพัดมามีลมในท้องใน้ายมันก็มีลมเนี่ยเดียวเรียกว่าธาตุลมมันก็โลเดเลี่ยงร่างกายอยู่ธาตุลมธาตุลมก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญต า, าว่างจากตัวตนมันคงที่อยู่ไม่ได้มันก็ต้องถ่ายเข้าถ่ายออกถ่ายเข้าถ่ายออกอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าธาตุลม ทวนธาตุหนึ่งคือความอบอุ่นความอบอุ่นนั้นอย่างเราอมผ้านุ่งผ้าอมจีวร อ, อะไรพวกนี้เพราะเาพื่อเพื่อจะจปกปิดร่างกายไม่ให้มันหนาวเกินไปไม่ให้มันร้อนเกินไปมันเกิดความอบอุ่นพอดีพอดีนี่เรียกว่าธาตุคอยมันป้องกันธาตุคอยไม่ให้มันออกไปในร่างกายนี้ธาตุคอยสำหรับย่อยอาหารธาตุคอยสำหรับทร่า ง, งกายให้อบอุ่น นี่ธาตุไฟนี่มันก็ทรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นสี่ธาตุมันก็รวมกลุ่มกันพอ ร, รวมกลุ่มกันก็เป็นคนคนหนึ่งนะเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเป็นอะไรอย่างหนึ่งนี่ธือทธาตุีร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีเราต้องศึกษาธาตุสี่เมื่อเราศึกษาธาตุีว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีแล้วแต่นั่นเมื่อเรา เห็นเราเห็นคนอย่างนี้เห็นคนเห็นคนเห็นผู้หญิงหรือว่าเห็นผู้ชายก็เห็นสักแต่ว่าธาตุไอผู้เห็นนี่ก็สักแต่ว่าธาตุสิ่งที่ถูกเห็นคือคนนั้นก็สักแต่ว่าธาตุหรือเป็นต้นไม้ต้นไม้เป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นไก่เป็นกาก็สักแต่ว่าธาตุนี่มันสักแต่ว่าธาตุทางนั้นทีนี้ธาตุนั้นเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุที่เหมือนกันหมด คือเป็นธาตุที่ว่างจากตัวตนถ้ามันไม่ว่างจากตนมันไม่ต้องแก่มันก็ไม่ต้องเจ็บมันก็ไม่ต้องตายนั่นเป็นธาตุที่ว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราเรียกว่าธาตุทีนี้พอเห็นก็สักแต่ว่าธาตุได้ยินได้กลิ่นดิมรถจำปัตรู้ธรรมารมณต่างๆสิ่งเหล่านี้ให้สักแต่ว่าธาตุสัแต่ว่าทาตเป็นธาตุว่างเป็นธาตุเหมือนกันหมด เป็นสัแต่ว่าธาตุว่างธาติว่างจากตัวตนก็คือมันมีตัวตนแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวตนอยู่ภายในนั้นมีตัวตนแต่ไม่มีตัวตนก็คือมันว่างจากตัวตนทีนี้ธาตุนั้นสักแต่ว่าธาติว่างจากตัวตนนี่เรียกว่ากายเราเรียกว่ากายเอาทีนี้ข้อต่อไปข้อต่อไปสติปัฏฐานสี่ เรียกว่าเวทนาเรียกว่าเวทนาควรที่จะจําพุทธบริษัทของเราทุกคนนี่ควรที่จะจําให้ได้ในเรื่องนี้ให้เราก็จะต้องเข้าใจให้ได้ถ้าแต่อย่างที่สองเรียกว่าเวทนาความสุขก็เรียกว่าเวทนาความทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาอทุกขกมัสุขก็เรียกว่าเวทนาเวมีสติต้องมีสติข้อที่หนึ่งมีสติเห็นกายในกาย ข้อที่สองมีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวท น, นานี้เวทนานี้ก็สัตว์แต่ว่าเวทนาที่เป็นนันิกจังเวทนาที่เป็นนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นเวทนานี้ก็ไม่คงที่ วันที่บอกให้ฟังเมื่อตะกี้นี้ในะเรื่องของเวทนาที่ก่อนที่จะกลายเป็นตัณหา่มันเป็นสุกเวทนาเป็นทุกเวทนาเป็นอาทุกขมาทุกเวทนาก่อนถ้าไม่รู้จกักปัจจาไม่รู้จักเวทนามันก็เลยกลายเป็นตัณหา เพราะฉะนั้นนี่ในสติปัฏฐานสีมันก็มีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งสามน่ยสุขเวทนาก็เพนนานิจจังเป็นนันตาทุกเวทนาก็เพนนานิจจังเป็นนันตะทุกข์ามสุขเวทนาก็เพนนานิจจังเป็นนันตาทั้งสามเวทนานั้นมันเป็นสุญญตาเราต้องปฏิบัติให้เห็นว่ามันเป็นสุญญตามันว่างจากตัวต้นถ้ามันไม่ว่างมันก็เป็นกู เมื่อนอนเจ็บอยู่ก็นอนครางนอนครางว่ากูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บนอนโอยโอยโอยอยู่นั้นนั่นคือเป็นธาตุเวทนาไปเป็นอันหนึ่นองอั้นเดียวกันกับเวทนาเพราะเวทนานั้นมันไม่ว่างแ้วตัวกูมันก็ไม่ว่างมันก็เลยมีตัวกูตัวกูที่จะรับเวทนานั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเวทนาทั้งสาม ก็เวทนาทั้งสามก็เป็นนนิจจังเวทนาทั้งสามก้าวไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้มันจะเกิดทุกขังเวทนาทั้งสามก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนเวทนาทั้งสามก็เป็นสุญญตามันจะว่างจากตัวตนเป็นเวทนาที่ว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเวทนาเวตนาไปพูดที่กรุงเทพ เหมือนกับว่าไปต่อยอดให้เขาทุกๆครั้งไปเพราะเขาฝึกสมาธาสมาธิมันเลี้ยวไปเลียเล้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปไม่ได้ฝึกให้เป็นวิปัสสนาเหมือนกับว่าปลูกถั่วปลูกถั่วเสร็จแล้วไม่ปักไม้ให้มันเป็นค้างไม่ขึ้นค้าง่ายมันมันก็เลื้อยอยู่ตามพื้นดินทีนี้ก็ทำสมาธิทำสมรธาก็สอนสติปัฏฐานสี่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 ว่างจากตัวตนถ้าสอนอย่างนี้ียวกว่าครบสูตรครบสูตรมีจิตเห็นเวทานาในเวทานาเวทานานี้ไม่ใช่สัสตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทานานี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่ต้องสอนให้ถึงว่างการสอนก็สอนให้ถึงว่างการปฏิบัติก็ต้อง <S <S ปฏิบัติให้ถึงว่าง นั่นเรียกว่าวิปัสนานั่นคือยอดของวิปัสนายอดมันว่างแต่ยอดมันว่างต้นมันก็ว่างรากมันก็ว่างโคนมันก็ว่างจริงการสาคามก็ว่างมันก็ว่างหมดนี่เรียกว่าต้องสอนให้ถึงว่างถ้าสอนไม่ถึงว่างก็โคตไปโคตมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอที่ตรงนั้นเหมือนกับเราปลูกตัวปลูกตัวฝักยาว ถ้าปลูกตัวกวักยาวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขึ้นค้างง่ายมันมันก็เลื่อยไปเลื่อยมาตามแผนดินที่ตรงนั้นเนี่ยมันลาบากจะเดินก็ลำบาก่ทีนี้เราจะไปเก็บมันก็ลำบากไปเหยียบเอาเนี่ยถ้าเราขึ้นค้างมันมันก็ช้างน้ำหนักของมันเองแล้วมันก็เลื่อยไปตามค้างทีนี้เมื่อมันออกรูปเพราะมันออกรูปออกฝักเนี่ยมันก็ยอนลงมาข้างล่างนี่ เหมือนกันการทําวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ทำแต่วิทำแต่สมาถะอย่างเดียวแล้วเป็นวิปัสสนามันต้องเลือ่อยไปให้ถึงโน้นต้องขึ้นค้างให้มันในเรื่องของจิตก็เหมือนกันมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิต น, นี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา จิตนี้ก็เป็นสูญญาตาว่างจากตัวตนต้องให้ถึงจิตว่างต้องให้ถึงจิตว่างที่สอนกันทุกคืนทุกคืนนี่คือสอนเรื่องจิตว่างเรื่องจิตว่างเพราะว่าความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่กูเมื่อความรู้สึกไม่ใช่กูก็เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่กูเมื่อจิตวิญญาณไม่ใช่กูร่างกายก็ไม่ใช่กูทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นอวัยวะทุกส่วนก็ไม่ใจกูทางนั้นนี่เรียกว่ามีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้ก็ไม่ใช่จิตคือจิตเองนี่ก็ไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่รับรู้ได้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคนนี่มันมีทั้งกายมันมีทั้งจิตแต่กายกับจิตเราไม่ใช่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กายกับจิตนมันทํางานกันคนละอย่างในคนคนหนึ่งมีตั้งกายมีตั้งจิตแต่ก็ออกมาเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตการขุกจิตก็เท่ากับว่าเราเราขุดหัวขุดหัวนี่ถ้าเราไปผูกคอมันไม่ได้หรอกหัวมันจะดื้อ มันดื้อแต่ออนมันไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั่นการคุยกูนี่ต้องจ่อจมูกจรดอ่อนมันอยู่ที่จมูกเอาเชือกไปร้อยที่จมูกมันพอดึงจมูกดึงไปข้างหน้ามันก็ตามเราไปข้างหน้าเราดึงไปด้านข้างโน้นข้างนี้มันก็มันเชื่อกพวงเราเพราะว่าเราจงจมูกมันไปเจนี่เพราะฉะนั้นการฝึกการฝึกนี่การคุกคนนี่ก็ต้องฝึกที่จิต ที่นั่งฝึกกันอยู่ตรงนี้ก็คือการฝึกจิตที่นั่งพูดให้ฟังท่องเกินสามเกินที่ผ่านมานี้ก็คือการฝึกจิตแต่ไม่ใช่ว่าอัตมาเป็นคนฝึกอัตมาเป็นคนแ น, นแะนําแต่จิตใครจิตมันต้องไปฝึกกันเอาเองแต่ไม่ฝึกเอาเองมันก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องไปทําเองใไปนั่งเองไปภาวนาเองไปเดินจงกรมเองไปอะไรเอง ต้องทำเองทางนั้นนี่การฝึกเดี๋ยวว่าทุกคนมีจิตทุกคนมีจิตเหมือนกันหมดทีนี้เราจะฝึกได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เรากรยันหรือเราไม่กยันถ้าเราไม่กยันเราก็ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้จิตนั้นมันก็เลยเป็นจิตอะไรทีนี้ก็ เ, เรียกว่าจิตเถือนมันก็เป็นจิตเถือนมันก็เป็นจิตเถือนอยู่อย่างนั้นจนตายถ้าเราไม่ได้ฝึก ทีนี่เมื่อมันเป็นจิตเถ ER e ื่อนเป็นยังไงมันคิดทุกทีเป็นทุกๆุกทีคิดทุกทีเป็นทุกๆุกทีเดี๋ยวคิดเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปคิดจนเป็นโรคประสาทคิดจนนอนไม่หลับงั่นคือจิตเดียวว่าจิตเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นที่จิตเราเข้าไปยึดมั่นถือจิตที่จิตว่าจิตนี้เป็นกูนั่นน่ยคือคิดด้วยอํานาจของอวิชชา แต่ถ้าคิดด้วยอำนาจของปัญญานะมันไม่เป็นทุกข์ถ้าคิดด้วยอำนาจของวิจารนะิมันเป็นทุกข์นี่คือเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเราทุกคนนเรามาฝึกจิตในโอกาสที่โยมยินดีครบรอบในการที่มีอายุ72ปีแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี้มีญาติโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเป็นพุทธบริษัทด้วยกันมา ประชุมกันที่นี้แล้วก็มานั่งสมาธิมาฟังออทำมาเดินจงกร ม, มอะไรนี่นี่เรียกว่าเรามาฝึกจิตกันทังนั้นต่างคนต่างก็มาฝึกจิตไม่ใช่ฝึกแต่โ ย, ยมยินดีคนเดียวพระก็ได้อา น, นิสงส์ไปด้วยนี่ทุกคนได้อา น, นิสงส์ในการฝึกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราฝึกอย่างนี้สามวันเจดวันเราต้องเพื่อไปเรื่อย เมื่อเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เราต้องฝึกไปเรื่อยคนที่มีจิต ท, ที่ไม่ได้ฝึกวันวันหนึ่งไม่รู้มันไปไหนเราอยู่ในวัดแต่แต่แตล้มันออกไปนอกวัดเราอยู่ที่ตรงนี้แต่มันไปที่บ้านไปที่บ้านไปที่สามีภรรยาลูกทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรมันไปเรื่อยนี่เพราะจิต ท, ที่ไม่ได้ฝึกแต่ถ้าเราฝึกจิต แต่ไม่จิตของเรานี่มันมีสมรรถภาพจิตทางตันตังถูกข่าวหังจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้นี่มันกลวงกันข้ามลองคิดดูจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกมันนําอะไรมาให้ลองไปคิดกันเอาเองจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกมันนําอะไรมาให้นี่เราต้องรู้ในเรื่องนี้เพราะฉะนะั้นเราจะต้องฝึกจิต เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านฝึกจิตที่นี่เมื่อท่านฝึกจิตได้แล้วพระองค์ก็เลยช่วยคนอื่นด้วยให้คนอื่นได้ฝึกพระองค์ก็มีนแต่แนะนำแนะนำพระองค์ก็แนะนำแนะนาว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องอะไรอย่างนี้ในการฝึกจิตเมื่อฝึกจิตแล้วร่างกายก็เป็นบริวารของจิตวาจาก็เป็นบริวารของจิต ใจก็เป็นบริวารของจิตอา้าวที่นี่มีคนการดิการว่าอะไรใจกับจิตทำไมเหมือนกันเหรอมันไม่เหมือนกันจิตนี่แปลว่ารู้แปลว่ารู้แปลว่า ร, รู้สึกแปลว่ารู้สึกเหมือนกับจิตวิญญาณอ่าจนะิตเองนี่แปลว่ารู้พุโทโธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานงั้นเพมีจิตรู้มีจิตรู้พุโทโธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบาน รองมีจิตรู uh, ้ขึ้นมาแล้วทีน so ี <that> ้เมื่อจิตรู้ขึ้นมาแล้วจิตรู้ขึ้นมาแล้วต่อไปอวิชามันก็ดับพออวิชาดับก็เป็นพุทโธทีนี้เมื่อเป็นพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วที่ตรงนั้นอวิชามดับแล้วเป็นวิชาแล้วพอเป็นวิชาแล้วสังขารสังขารต่อไปกายสังขารว่าจีสังขารมโนสังขารกายสังขารคือกระทําทางกาย ว่าจีสังขารการพูดทางวาจามโนุสังขารเป็นความคิดทางใจความคิดทางใจเพราะฉะนั้นมโนนะแปลว่าคิดแปลว่าคิดมโนวิญญาณความคิดทางใจหรือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจฉะนั้นให้หายสงสัยเถอะว่าจิตนะแปลว่ารูปใจนะแปลว่าคิดใจนะแปลว่าคิดหเห็นไหม การปฏิบัติมันต้องให้แยกกายมันต้องให้รู้ตามความเป็นจริงมาอย่างนั้นเอาจิตกับใจออกมาว่าเป็นนันหนึ่งอันเดียวกันงันอยู่คนละอย่างอยู่คนละอย่างใจก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งทีนี้จิตทําหน้าที่รู้ใจทำหน้าที่คิดมันคนละหน้าที่ทีนี้ถ้าจิตไม่รู้ใจมันก็โง่ใจก็โง่ทีนี้ใจโง่มันก็คิดโง่เพราะว่าจิตโง่ก็จิตโง่ คือจิตที่ไม่รู้ในจิตโง่พอจิตโง่ใจมันก็โง่ตามโง่ตามคือพอเกิดอาวิชาขึ้นมาสังขารมันก็เกิดมันก็เลยตามตามกันไปตามกันไปเป็นทุกข์ตามตามกันไปเกิดทุกข์ตามตามกันไปอย่างนั้นนี่เรียกว่ารู้กับคิดรู้กับคิดทีนี้ไอ้ตัวรู้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้ตัวนี้เราเรียกว่าพุทโธพุทโธตัวรู้ ทีนี้เรานั่งภาวนาว่ารู้รู้รู้าอาใจก้าพุทธอาใจออกโทที่ น, นี้พุทธโทแนะปลว่ารู้รู้รแต่เสร็จแล้วเรายังไม่รู้ใจหรือว่าจิตของเรามันยังโง่อยู่แต่ไปภาวนาว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันไม่รู้อะไรสักนิดหนึ่งเห็นไหมงั้นก็เลยการภาวนาว่าพุทธโธนี่สงใจว่ามันจะไม่ค่อยได้เรื่องที่แล้ว เพราะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานนั่นจิตของพระองค์เป็นอย่างนั้นคือพระองค์มีจิตรู้มีจิตตื่นมีจิตเบิกบานทีนี้เราไปภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอได้แก่สมาธิแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้พุทโธไม่รู้ นั่นคือพุโทโธว่าโตอย่างนั้นแต่ว่าพุโทโธหัวโตนี่มันเอาอย่างอื่นดีกว่าภาวนาอย่างอื่นดีกว่าทำกันมานานแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นก็ของาศาสนาคริสต์ก็ต้องเยแล้วก็สู้ที่เยสูเยสู้หายใจเข้าเยหายใจออกสู้เนีมันต้องอย่างนั้นเห็นหัหยนี่มันต้องเจาดาชาวพุทธเรามันต้องเลาด เพราะจานั้นฉลาดนี่คือพุทโธนี่คือฉลาดที่นี่มันยังไม่ฉลาดยังไม่ฉลาดแต่ไปว่าพุทโธพุทโธพุทโธการกล่าวว่าพุทโธนี่ต้องเป็นคนที่ฉลาดต้องไม่ใจว่าแต่ปากใจว่าแต่ปากมันก็ยังไม่รู้นี่ในเรื่องของจิตดังนั้นนี่ในเรื่องของจิตข้อที่สามมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตนี้เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่จิตก็ต้องว่างจิตว่างจากตัวตนก็ความรู้สึกไม่ใช่กูจิตว่างถ้าความรู้สึกไม่ใช่กูมันต้องจิตว่างเพราะมันไม่ใช่กูนี่ความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่กูเมื่อความรู้สึกไม่ใช่กูจิตตัวนั้นก็ไม่ใช่จิตกูดิมันไม่ใช่จิตกูดิ แต่เอาจิตมาเป็นกูมันก็เป็นนาวิชาเมื่าเป็นนาวิชามันก็ไม่ว่างแต่นี้จิตเองก็ไม่ใช่กูร่างกายก็ไม่ใช่กูไม่เห็นมีอะไรว่ามันเป็นกูสักอย่างหนึ่งเอาเส้นผมมาจากเส้นหนึ่งมาพินิจพิจารณาโอ้ยบังคับมันไม่ได้บังคับว่า้มันเป็นกูมันบังคับมันไม่ได้ ไม่ต้องบังคับมากของบังคับว่าจะให้ผมงอกมั่นก็บังคับมันไม่ได้สักนิดหนึ่งเนี่ยมันกูที่ตรงไหลนี่ไปดูดีมันไม่มีกูเลยเพราะฉะนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งร่างกายมันไม่มีกูความรู้สึกไม่ใช่กูก็คือมันไม่มีกูเมื่อมันไม่มีกูแล้วกิเลสมันจะลงจับที่ตรงไหเงั้นมันไม่มีกูความโลภมันก็ลงมาจับไม่ได้มันไม่มีกูถ้ามีตัวกูมันก็มากอดที่ตัวกูนั่นแหละ ความโกรธม really ันก็มีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีกูความโง่ความหลงมันก็มาจับไม่ได้เพราะมันไม่มีกูมันไม่มีกูฉังนั้นความรู้สึกว่าไม่ใช่กูนี่แต่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแลให้ภาวนาอยู่ไวแต้ภาวนาให้ชัดๆขึ้นมาภาวนาให้มันติดๆกันความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กู เความรู้สึกไม่ใจกูนั่นเนี่คือจิตว่างจิตว่างจากตัวกูจิตที่มันว่างจากตัวกูเท่ากับว่าเราภาวนาว่าจิตว่างนั่นแหละจิตว่างจากตัวกูนั่นแหละแต่มันไม่สาดใจเพราะว่ายังไม่ถึงตัวของอวิชชาตัวสังขารตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวความรู้สึกในตัวความรู้สึกตัวนั้นมีทั้งอวิชชามีทั้งสังขาร เน่ตั้งตัววิญญาณที่เป็นลูกน้องตัวใหญ่เป็นลูกน้องตัวใหญ่ของอวิชชานั่นแหมมันก็เลยไปเกี่ยสอดรูปสอดเห็นไปหมดตัววิญญาณตัวนั้นก็ตาเห็นรูปมันก็ต้องไปจัดการแล้วรู้ได้ยินเสียงมันไปจัดการแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นเท็มลอดการสัมผัสใจรู้ธรรมารมวิญญาณตัวนี้ไปจัดการหมดนั่นมันเป็นลูกน้องมือขวาของอวิชชานัะ อวิชานั่นน่ะมันเป็นลูกน้องมือขวาทีเดียวมันจะไปแทรกแซงเั้หมดไม่ว่าอะไรนี่ตัววิญญาณคือตัวความรู้สึกตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันของวิญญาณตัวนั้นวิญคือตัวความรู้สึกตัวนั้นเพราะความรู้สึกนั้นไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกในเรื่องอันใดเราก็ต้องรู้ ความรู้จึกในสิ่งไหนเราก็ต้องรู้ความรู้สักทางตาหรือความรู้จึกทางหูตาจามูกทางลิ้นทางกายทางใจเราต้องรู้เพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาชิดชิด ภาวนาะให้มันชิดๆมันติดกันแล้วให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นนิสัยหายใจเข้าหายใจออกให้มันเป็นนิสัยว่าความรู้สึกนี่ไม่ใช่กูไอ้ที่เดินนี้มันก็ไม่ใช่กูแต่ห า, ากว่าเระไปบินธบาตเมื่อไปบินทบาตแต่ละวันแต่ละวัน ภาวนาความรู้สึกไม่ใจกูแต่ละย่างก้าวแต่ละย่างก้าวแต่ละย่างก้าวความรู้สึกไม่ใจกูความรู้สึกไม่ใจกูความรู้สึกไม่ใจกูเอาแต่มันยาวไปจะยืดยากไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูเดินนี่ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการเดินจงกลมแล้วอย่างนั้น ไปบินตบาตเป็นการเดินจงกรมอย่างนั้นเดินจงกรมไปด้วยอะไรไปด้วยนี่มันก็ได้หลายทางอาหารการกบฉันก็ได้มาการปฏิบัติธรรมก็ได้นี่มันได้หมดทีนี้เราที่เป็นค า, ารวะยิ่งอยู่ในกรุงเทพเรื่องกูมันมากโดยเกิน รถติดในนั่งตกในรกกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเพราะมันมีกูมันมีกูอยู่ที่นั่งอยู่ในรถนั่นพอมันมีกูมันก็ร้อนใจร้อนใจร้อนใจความรู้สึกนะ่ยมันร้อนใจขึ้นมา งันมันมีกูแต่ถ้าเราเออรถติดอยู่1 5บห้านาทีเราก็ภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูกกนั่งกำพวงมาลอยวะอย่างนั้นแต่คนที่ขับรถคนที่นั่งข้างหลังก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูเดร๋ยว่าบางคนคนเดียวไม่มีรถเป็นของตัวเองไปยืนรอที่ป้ายรถป้ายรถเม ยืนรออยู่แล้วสิบห้านาทีก็แล้วครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ถ้าความรู้สึกว่าไม่ใจกูความรู้สึกไม่ใจกูได้ภาวนาอยู่ครึ่งชั่วโมงโอ้จมัยรถมันมาเร็วเกินไปอะไรอย่างนี้นี่มันจะได้กําไรมากถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้น <c oughs> นี่เรียกว่าไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใจกูอย่างนั้นไม่ใจกูยืน ไม่ใช่กูเดินไม่ใช่กูนั่งไม่ใช่กูนอนไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูทําไม่ใช่กูพูดแต่ทีนี่มันจะค้านอยู่คนที่โง่มันจะค้านว่าไม่ใช่กูแล้วก็ใครอ่ก็ธรรมชาติบอกแล้วมันธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอืมนี่ จิตนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนที่นี่พอไปข้อสุดท้ายสติปัฏฐานสี่ข้อสุดท้ายมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่มาถึงธรรมแล้วธรรมนี้แปลว่าสิ่งแปลว่าสิ่งธรรมะนี่แปลว่าสิ่งสัพเพธรมรมมาแปลว่าสิ่งตั้งพวง ยังกินกจิตสมุทัยธรรมังจับปันตานิโรธธรรมังสิง่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งพวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาถ้าแปลเป็นภาษาไทยนี่เปรตสิ่งแปลว่าสิ่ ง, งจะเปธรร ม, มานี่คือสิ่งทั้งพวงเยธรร ม, มาเหตุปภวะเดสังเหตุตาถาคโต้ํำเราใดเราหน่งมีเป็นแดนเกิดนั่นก็แปลว่าทำทีนี้บางแห่งก็เป็นสิ่ง แต่ว่าป่าสาใยเรานี่ก็ควรที่จะเข้าใจคำว่าสิ่งสิ่งนี้มันทุกสิ่งสเพธธรรมานี่ทุกสิ่งทุกสิ่งทั้งหมดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธรรมนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่าจากปัจจนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงธรรมะคือสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงนี้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรทุกอย่างไม่เว้นอะไรแม้ที่ขี้คุณนจากเม็ดหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ใหญ่โตเท่าภูเขาโลกาเท่ากับโลกนี้เท่าจักรวาล น, นี้มันก็เรียกว่าสิ่งทั้งปวงเหมือนกันสิ่งทั้งปวงทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยทียนี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตน สัพเพตัมมานาลังอภินิเวสหยะสิ่งทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่ามันเป็นตัวตนว่ามันเป็นของตนไปยึดถือว่าเป็นตัวกูไม่ได้ไปยึดถือว่าเป็นของกูไม่ได้เพราะสิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นอนิจจังเป็นอนาัตตาเป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนเว่ามันว่างจากตัวตนอย่างนั้นแม้แต่ตัวตนมันก็ไม่มีแล้วของตนมันจะมีมาจากไหน นี่เรากล้าไปยึดมั่นถือมัน่นเมื่อเรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็เป็นทุกข์กล้าไปยึดมั่นของตนก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทางนั้นทีนี้ถ้าเรากํานวนดดูว่าในครอบครัวของเรานี่เราใช้เงินเท่าไหร่เดือนเดือนหนึ่งปีหนึ่ ง, งใช้เท่าไหร่กินเท่าไหร่ที่นี้เอาเราทําจนเรือ ทำเหลือแล้วเราทำอะไรต่อไปทำเหลือก็เราทำการกุศลช่วยเหลือคนตาบอดช่วยเหลือคนยากคนจนคนอะไรก็ช่วยเหลือกันไปช่วยเด็กนักเรียนช่วยการศึกษาช่วยอะไรเราก็ช่วยกันไปแต่การเป็นอยู่ของเราก็พอดีพอดีคือให้มันพอดีพอดีนี่อย่างนี้เียกว่าไม่เอาเปรียบซึ่งกันในการแน้วเราก็เอาไปไม่ได้เราคิดถึงว่าชีวิตของเราตายไปแล้ว ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เลยต้องพลกไฟดินก็กลายเป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟไปสู่ที่เดิมหมดเลยแต่เราเรียนรัดด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็ห้หม้อหม้ก่อน ส่วนที่เป็นดินก็ให้มันเป็นดินไปมันยังไม่ตายอยู่ยังไม่ตายมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นดินอยู่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เราก็เป็นดินส่วนที่เป็นน้ำมันก็เป็นน้ำส่วนที่เป็นไฟก็เป็นไฟส่วนที่เป็นลมก็เป็นลมนี่เรียกว่าสิ่งตั้งปงมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นกูมันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นธรรมชาติที่นี่เมื่อจิตเป็นธรรมชาติ ทรัพย์สมบัติก็เป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่เป็นนานิจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาเป็นธรรมชาติที่มันว่างจากตัวตนไม่มีธรรมชาติสิ่งไหนที่มันหยุดอยู่นิ่งๆธรรมชาติมันต้องไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนอยู่อย่างนั้นไหลเวียนอยู่เรื่อยไม่มีอะไรอยู่นิ่งๆแม้แต่ลมนี่ก็จะต้องไหลเวียน ถ้าลมไม่ไหลเวียนหยุดไม่ไหลเวียนหยุดอยู่กับที่นี่ที่ตรงนั้นมันก็เป็นที่ว่างเรลยอะไรก็อยู่ไม่ได้มันไหลเวียนทางนั้นแม้แต่บนอากาศรองดูที่เวลาเรานั่งในเครื่องบิน canon. เนี่ยพอนั่งในเครื่องบินอะไรกี้เมฆอ่ะมันจะลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปมันก็เวียนเวียนกัน อ, อยู่อย่างนั้นนี่นมันอยู่ที่เปลือกโลกเปลือกโลกอันก็เวียน ไ, ไปเวียนมา มันก็กุมกันอยู่อะไรกันอยู่นี่มันมีแต่ไหลเวียนไหลเวียนทุกอย่างไหลเวียนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เลือดของเรามันก็ไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนไหลเวียนอยู่อย่างนั้นถ้าเลือดไม่ไหลเวียนเราก overseas, right. ็ตายก็อยู well, no. ่ไม่ได้ชีวิตนี้ต้องตายแต่นี่เราคืนคืนคืนชีวิตให้ธรรมชาติคืนดินคืนน้ําคืนไฟคืนลมคืนให้ธรรมชาติแต่ก่อนการที่เราคืนให้ก่อนนี่นี่เรียกว่า เมื่อก่อนเราคิดว่าจะผ่อนส่งแต่พรนส่งไม่ทันเดี๋ยวมันจะตายช้ก่อนเราก็เลยต้องรีบปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เงินก้อนใหญ่พอได้เงินก้อนใหญ่มาเรารีบส่งเลยให้ไปหมดเลยพอให้ไปหมดเลยนี่เราไม่เอาเป็นตัวกูของกูแล้วเมื่อไม่เอาเป็นตัวกูของกูแล้วร่างกายนี่ยังอยู่นั่นอยู่ก็อยู่ไปไม่เป็นไรแต่ไม่มีความทุกข์ใตอนนี้ เราไม่ต้องผ่อนเราไม่ต้องส่งแล้วเราให้หมดนี่แต่เราปฏิบัตกิกิจจนถึงที่สุดคือความรู้สึกไม่ใช่กูจนถึงที่สุดพอถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงทีนี้เราไม่ต้องผ่อนส่งแล้วรอให้แล้วเราจบแล้วเราไม่มีอะไรแล้วอันนี้เรียกว่าว่างอันว่างจากตัวกูว่างจากของกูนี่คือมันว่างว่างไปหมดนี่เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างเด่ง ว่างก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นธรรมะแปลว่าสิ่งทั้งปวงมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้นก็คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธรรมนี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาธรรมนี้ก็เป็นอนิจจังเ ป, นน religion, เป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตน นี่เมื่อเราฝึกสติปัฏฐานสี่แน่นเราก็ออกไปใช้เราออกไปใช้ที่ไหนออกไปใช้ที่ปัจสาออกไปใช้ที่ปัจสาตัวนั้นพอตาเห็นรูปตาเห็นรูปเกิดจากคูวิญญาณขึ้นมาต่อไปมันก็เกิดปัจสาพอเกิดปัจสาขึ้นมาเราก็เตรียมพร้อมแล้วสติสติดึงปัญญามา ดึงปัญญามาม า, มาแก้กออิที่ตรงนั้นเห็นว่าโอ้สุขเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนดับดับใดที่ตรงนั้นไม่ต้องกลายไปเป็นตัณหาไม่ไปเป็นอุปาทานเป็นพบเป็นชาแต่ไปกลายไปเป็นทุกข์มันไม่ถึงโ น, น้แล้วมันไม่ถึงโ น, น้ไปครึ่งทางเนี่ยมันก็ดับแล้วมันดับแล้วมันดับไปแล้ว ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ต้องมีสติทันมีสติไอรู้ต้าทันที่ตรงนั้นถตามีสติหรือว่าสติมาไม่ทันน่ะมันจดรวดเดียวจบไปเป็นทุกข์แล้วเสียต่าแล้วขาดทุนแล้วนั่นมันจะขาดทุนแล้วฉะนั้นจึงบอกว่าต้องฝึกสติประานสี่ในสัมมาถสติเื่อเกกสติประธานสี่แล้วไปใช้ที่ไหน ก็ใช่ทุกวันใช่ในทุกที่เมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นทิมรสกายสัมผัสใจคิดเครื่องรรมารมต้องใช้สติในทุกโหนทุกแห่งไม่เว้นที่ตรงไหนทางนั้นต้องมีสติจะอยู่ก็ต้องมีสติจะตายก็ต้องมีสติต้องมีสติตั้งนั้นมีความสุข ก, ก็ต้องมีสติมีความทุกข์ก็ต้องมีสติ เห็นความสุขก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นความทุกข์ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นว่าว่างจากตัวตนหมดเห็นมันว่างจากตัวตนหมดนี่เพราะสติไปดึงปัญญามาทีนี่ที่เรามานั่งอบรมมานั่งฟังนมาปฏิบัติที่นี้เราต้องการที่จะมีทั้งสติต้องการที่จะมีตั้งปัญญาปัญญา ปัญญาเป็นขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์สตินี่ไปดึงขุมทรัพย์ด้วยว่าปัญญาเหมือนกับอาวุธเป็นอาวุธที่นี่พอเกิดอะไรขึ้นมานี่สติก็ไปดึงอาวุธนั้นมาแล้วมาต่อสู้กับอวิชชามาต่อสู้กับตัณหาอุปาทานพวกชาติมาต่อสู้กับความทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้น นี่เรียกว่าฝึกสติเพื่อที่จะเอามาใช้ถ้าเราไม่มีสติคนนั้นก็เรียกว่าคนอะไรคิดเราเองคนที่ขาดสติ น, ะนี่มันก็จะมีเยอะคนที่ขาดสติถ้ามีคนที่มีสติตลอดไปเนะี่ยคนนั้นก็เรียกว่ามีสติสมประดีแต่พอไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก้ามันสติมันไม่สมปรรดีแล้ว นั่นคือคนที่ไม่มีศีลพอขาดสติแล้วมันก็ขาดหมดเลถ้าถามว่าศี น, า น, าน่าข้อศีนแปดข้อนี่ยก็ไหนที่ทําให้ขาดแต่ให้ขาดหมดก็คือข้อสติก็อสติที่ว่าสุรามีระยมัเจปามาตตานาเวรมณีสิกาปังธมาทียามิเราจะมาฐานว่าเราจะไม่ดมเราจะไม่ดื่มเราจะไม่ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายพอไป ตินไปติดสิ่งเสพสิ่งเสพติดแล้วก็ทำให้สติของเราไม่สมปีคือทำให้สติมันขาดเพราะสติมันขาดแล้วมันจะไปทาไปลักขโมยก็ได้อ่ามันจะไปทำปาณาทิบาตฆ่ากันก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยเพราะมันขาดสติแล้วมันขาดสติในตอนนั้นมันขาดสติเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่ นี่ครูกำลังไปทำปริญญาโทที่หมออยู่มาจากบางแก้วเสร็จแล้วก็มีครอบครัวมาด้วยเอาแม่มาเอาป้ามาอะไรมาแกก็บอกว่านี่ทำยังไงให้แม่ของผมนี่อย่าทำล่าเทือนทีเดบอกว่าหยุดแตนะ่ไม่ทำก็หยุดล่าเทือนพอปรุงขึ้นมาแล้วเอาไปขายนี่คนที่เอาไปกินเนี่ยมันดีขึ้นไหม พอไปกินเนี่ยมันทำให้คนดีขึ้นหรือว่าทำให้คนบ้ากินแล้วมันบ้าเพราะมันขาดสติเพราะฉะนั้นต้องหยุดทอนี้อีกคนหนึ่งแยงขึ้นมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นก็คนที่ขายน้ำพึ่ง คือขายน้ำพึ่งตะโนดนะคนที่ขายน้ำพึ่งมันก็บาปด้วยเนี่ยอ๋อไม่รู้ก็เอาไปทําอะไรคนขายน้ำพึ่งก็มีหน้าที่ในการขายดิไม่รู้ก็เอาจะไปเอาไปทําขนมหรือทําอะไรเป็นหน้าที่ของเขาแต่คุณนี่เอามาปรุงเล่าอย่างนี้มันก็ผิดแล้วอันนี้เรียกว่าผิดแล้วข้าวก้างตัวอย่างนั้นแต่ว่าข้าวก้างตัวอย่างถ้าข้าวก้างตัวอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ลูกเห็นธทำแต่พ่อแม่ไม่เห็นทำ มันก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องนี้มันกัดแย่งกันอยู่อย่างนั้นออยากจะดึงแม่อยากจะดึงแม่ให้พ้นจากนรกขุมนั้นแต่แม่ก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นแหละก็ยังจะทําอยู่สุดแล้วแต่เว้นแต่กรรมเรื่องนี้ตัวใครตัวมันนี่เดียกว่าเรื่องของสติเรื่องของสติพอคนกินเข้าไปแล้วดื่มก็ไปแล้วดมเข้าไปแล้วสูตร้าไปแล้วอทําทให้เสียสติมันก็ไม่ดีนะไม่ดีทีนี้เสียสติมันก็เสียหมด มันก็เสียหมดทางกายก็เสียทางวาจาก็เสียทางใจก็เสียกันก็เสียหมดพอเสียแล้วเป็นยังไงพอกินเข้าไปแล้วพอดูดดื่มเข้าไปแล้วอืดเข้าไปแล้วมันก็ทำให้คลื่มทำให้คลื่มดีเหมือนกัคนติดยาที่ติดยาเพราะว่ามันคลื่มสมองมันเครื่มมันครื่มันเครื่มหมดเห็นสวรรค์เลยเห็นสวรรค์เลยมันครื่มทีนี้พอมันกลาย พอมันคลายไปก็ต้องดมใหม่อีกต้องฮืดเข้าไปใหม่อีกต้องสูบกับใบใหม่อีกจนมันเต็มตัวพอเต็มตัวมันคกลายกลายกลายกลายอีกอย่างนั้นเพราะเงื่อนติดบุหรีก็เหมือนกันอย่างนั้นทางนั้นของเจ็บติดทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นคือทําให้เสียสติเพราะว่าทําให้สมองมันเครื่องพอสมองเครื่องมันก็เสียสติมันก็เสียหมด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องระวังแล้วสอนลูกสอนหลานในเรื่องนี้แล้วก็สอนตัวเองด้วยในเรื่องนี้พุทธบริษัทไม่ควรที่จะมีแต่นี้ลูกเป็นพุทธบริษัทแม่เป็นคนทำาล่ามันไปคนละเรื่องกันอย่างนี้นี่เรียก ว, ว่าไปเกิดในดงโจนอย่างนี้ไปเกิดในดงลบาบากก็ทาให้เกิดดอกบัวขึ้นมาดอกบัวก็อยู่ใน รากบัวงาวบัวก็อยู่ในสิ่งโจกโปกอยู่ในโคลนในตมแต่ว่าดอกบัวก็พุดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญของคนที่เขาคิดได้อย่างนี้ทีนี้เราก็เหมือนกันก็จะกก่าว่าเป็นดอกบัวดอกบัวที่เกิดมาแล้วเราต้องการที่จะพ้นจากโคลนจากตม้มไม่ต้องการที่ลงไปอยู่ในโคลนในตม้มอีกต่อไปแล่เป็นดอกบัวที่ยังปุมปุมอยู่ เราก็พยายามพยายามพยายามที่จะทําให้เป็นดอกบัวที่มันบานมีกลิ่นหอมให้บานจนถึงที่สุดพุทธโธเป็นผู้รู้พุทธโธเป็นผู้ตื่นพุทธโธเป็นผู้เบิกบานอย่ายกให้แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวในเราก็มีพุทธโธแต่ใครมีจิตเป็นพุทธโธคนนั้นก็มีจิตที่รู้มีจิตที่ตื่นมีจิตที่เบิกบานถึงที่สุด ก็คือถึงพระธรรมนั่นแหละจิตที่ถึงพระธรรมจิตที่ถึงพระธรม ร, ะธรมแล้วคนนั้นมีจิตรู้คือรู้ธรรมมีจิตตื่นก็คือไม่ง่งมอยู่กับกิเลสตนาอวิชชาอุปาทานเป็นจิตที่เบิกบานจิตที่เบิกบานแจ่มใสเป็นมนุษย์เต็มที่แต่ว่าเป็นมนุษย์เต็มขั้นให่อย่างนี้เป็นต้นเอาเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ขอญาตโยมทั้งหลายเอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองกันจงทุกทุกคนขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วหน้ากาั น, นเดินนายนล้วเดินได้ไปเดินก่อนดีกว่าเดินก่อนก็มานั่งทีหลัง